ธรรมบทแปลเรื่องพระจุลปันธกเทระภาคที่สองเรื่องที่สิบเจ็ดระศดาเมื่อประทับอยู่นะพระเวรุวันทรงปรารพพระเทระชื่อว่าจุลปันธกตรัธรรมเทศนานิว่าอุทธาเนนปะมาเทนะสัญญเมนะ เมนะจะที่ปังกะยิราตะเมทาวียังโอโคนาพิกีรติแปลว่าผู้มีปัญญาพึ่งทําเกาะคือที่พึ่งที่ห่วงน้ําท่วมทับไม่ได้ด้วยความมันด้วยความไม่ประมาทด้วยความระวังและด้วยความฝึกดังได้สดับมาธิดาแห่งสกุล ของนธนเสตีในกรุงราชกฤชในเวลานางเจริญวัยมารดาบิดารักษาไว้อย่างกวดขันที่ชั้นบนแห่งประสาทเจ็ดชั้นแต่นางเป็นสตรีโลเลในบุรุษเพราะความเป็นผู้เมาแล้วด้วยความเมาในความเป็นสาวจึงทำสันทวะกับธาตุของตนเองแล้วมีความกลัวว่า แม้คนอื่นๆจะเพิ่งรู้กรรมนี้ของเราเธอจึงพูดขึ้นอย่างนี้ว่าเราทั้งสองไม่อาจจะอยู่ในที่นี้ได้ถ้ามารดาบิดาของฉันทราบความเสียหายนี้ไซจักห้าำหันเราให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เราจะไปสู่ที่ต่างถิ่นแล้วอยู่ดังนี้ทั้งสองคนนั้นจึงถือเอาทรัพย์อันเป็นสาระที่จะพึงนําไปได้ด้วยมือ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 นางจึงเก็บงำเรื่องเรือนบอกความที่ตนจะไปสู่เรือนแห่งสกุลเดิมแก่ชาว บ, บ้านที่อยู่ตัดกันแล้วจึงได้เดินทางไปฝ่าสามีกลับมาเรือนไม่เห็นภรยาถามคนที่คุ้นเคยกันทราบความว่านางได้ไปเรือนแห่งตระกูลเดิมเขาจึงรีบติดตามไปทันในระหว่างแม้ภรยาของเก่านั้น ก็ได้คลอดบุตรในระหว่างทางนั่นเองสามีจึงได้ถามว่านี่อะไรกันภรรยาจึงตอบว่าพี่ลูกชายคนหนึ่งคลอดแล้วผู้เป็นสามีถ้าอย่างนั้นบัดนี้เราจะทำอย่างไรทั้งสองคนมีความเห็นร่วมกันบ้าเราทั้งสองไปสู่เรือนแห่งตระกูลเพื่อประโยชน์แ ก, ก่กาใดกามนั้นสำเร็จแล้วในระหว่างทางทเดียว เราจะไปที่นั้นทำอะไรกลับกันเติร์ดดังนี้แล้วก็พากันกลับเขาทั้งสองได้ตั้งชื่อเด็กนั้นแล ว, ว่าปันทกเพราะเกิดในหนุนทางต่อการไม่นานนะักนางก็ได้ตั้งกันแม้อีกพฤติการตั้งปวงพึงให้พิสดารนลอยนันยนยะอันมีในก่อนนั่นแหละเพราะเด็กแม้นั้น ก็เกิดในหนทางมารดาจึงตั้งชื่อบุตรผู้เกิดก่อนว่ามหาปันทกตั้งชื่อบุตรผู้เกิดภายหลังว่าจุลปันทกแม้สองสามีภรรยานั้นก็พาเด็กทั้งสองไปสถานที่อยู่ของตนตามเดิมเมื่อสองสามีภรรยาอยู่ในที่นั้นเด็กชายมหาปันทกได้ยินเด็กชายอื่นๆ เรียกผู้นั้นผู้นี้ว่าอาลุงและเรียกว่าปู่ย่าตาและยายจึงถามมารดาว่าแม่เด็กอื่นๆเรียกผู้นั้นผู้นี้ว่าเป็นปู่ย่าอีกผู้หนึ่งว่าเป็นตายายก็พวกญาติของเราไม่มีบ้างหรือมารดเออพ่อพวกญาติของเราในที่นี้ไม่มี แต่ตาของพวกเจ้าชื่อธนะเสรฐีมีอยู่ในกรุงราชคฤชพวกญาติของเราเป็นอันมากมีอยู่ในพระนครนั้นมหาปันตกเด็กชายมหาปันตกก็ทำไมพวกเราจึงไม่ไปที่นั่นแล้วแม่นางไม่บอกเหตุดังเดิมนั้นเมื่อบุตรทั้งสองพูดรบเราหนักเข้าจึงบอกแกสามีว่า เด็กเหล่านี้รบกวนรบเรา้าฉันเหลือเกินมาดาบิดาเห็นพวกเราแล้วจะกินเนื้อทีเดียวหรือมาเถิดบัด น, นี้เราทั้งสองจะแสดงตระกูลแห่งตายายแก่พวกเด็กผู้เป็นจามีฉันไม่อาจจะเข้าหน้าได้แต่จะพาเจ้าพวกนั้นไปได้ประยะิยาดีละควรที่เด็กทั้งสองจะพบเห็นตระกูลของตา ด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งแท้ชนทั้งสองจึงพาเด็กๆไปถึงกรุงราชกฤย์โดยลำดับพักอยู่ในศาลาหลังหนึ่งริมประตูรน า, นานตะกอนมารดาของเด็กพาเด็กสองคนไปแล้วสั่งให้บอกความที่ตนมาแก่มารดาบิดามารดาบิดาทั้งสองนั้นได้ยินข่าวนั้นแล้วกล่าวว่า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 อย่างนี้สองภรรยาสามีนั้นก็รับทรยบที่ท่านทั้งสองนั้นส่งมาแล้วมอบเด็กทั้งสองในมือของพวกคนใช้ที่หมานั่นแหละส่งไปแล้วเด็กทั้งสองคนเจริญวัยอยู่ในตระกูลของตาใหญ่ในเด็กสองคนนั้นจูลาปันโตกยังเด็กนักส่วนมหาปันโก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 กว่าการบวชของคนทั่วทั้งโลกถ้าเจ้าอาจที่จะบวชซช้ก็จงบวชเถิดอยงนี้แล้วธนะเศรษฐีจึงนำเขาไปสู่สำนักพระศาสดาเมื่อพระองค์ตรัสตามว่าขราบดีท่านได้เด็กมาหรือเขาจึงกราบตูนว่าพระชจ้าขาเด็กคนนี้เป็นหลานของข้าพเจ้าประสงค์จะบวชในสานักของพระองค์พระชจ้า พระศาสดาจึงตรัสสั่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินนาบานเป็นวัด ร, รูปใดรูปหนึ่งบ่าภิกษุเธอจงให้เด็กคนนี้บวชเถิดพระเตระบอกกรรมฐานหาคือผมขนเล็บฟันหนังแก่มหาปัญโกแล้วให้บรรพชาเธอเรียนพระพุทธพจน์ได้มากมีอายุครบได้อุปสมบทแล้ว ธรรมกรรมคือเจริญกรรมฐานในโยนิโสมนสิการบรรลุพระราหัตแล้วท่านให้เวลาล่วงไปด้วยความสุขในฌานและความสุขอันเกิดแต่ผลคิดว่าเราอาจให้ความสุขนี้แก่จุลปันถุกหรือหนอภายหลังมหาปันถุกจึงได้ไปสู่สำนักของเศรษฐี ผู้เบญตาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านมหาเศรษฐีถ้าท่านอนุ ญ, ญาตใช้อาระมะภาพพึงให้จุลาปันโทหอกบวชเศรษฐีจึงกล่าวว่านิมนต์ท่านให้เขาบวชเถอะครับได้ยินว่าเศรษฐีเลื่อมใสในพระศาสนาแต่เมื่อถูกถามว่าเด็กเหล่านี้เป็นบุตรของธิดาคนไหนของท่าน ถ้าเขาจะบอกว่าเป็นกองลูกสาวที่หนีไปก็จะละอายด้วยเหตุนั้นท่านเศรษฐีจึงอนุญาตการบวชแก่หลานทั้งสองนั้นโดยง่ายพระเตระให้จุฬาบันทกบวชแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายแม้จุฬาบันทกนั้นพอบวชแล้วแต่เป็นคนโง่เขลาเมื่อพระเตระพร่ำสอนเธอ ด้วยคาถาที่ว่าดอกบัวโกกนุษย์มีกลิ่นหอมบานแต่เช้าเพิ่งมีกลิ่นไม่ไปปราดฉันใดเธอจงเห็นพระอังกีรถผู้ไปโรถอยู่ดุดพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางหาวฉันนั้นดังนี้คาถาเดียวเท่านั้นใช้เวลาสี่เดือนจุลาบรรก ก็ยังไม่สามารถจะเรียนได้ตอนบรุรพกรรมของพระจุฬปันตกถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงไม่สามารถเรียนได้แก่ว่าได้ยินว่าเธอบวชในการของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาแต่ได้ทำการหัวร้อยย่ะในเวลาที่ภิกษุขเขา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 เพื่อเรียนคาทานี้แล่สี่เดือนได้ล่วงไปแล้วที่นั้นพระมหาปันโตกจึงได้กล่าวกับเธอว่าจุลปันโตกเธอเป็นคนอาภัพในศาสนานี้โดยสี่เดือนแม้คาถาเดียวก็ไม่อาจจะเรียนได้เธอจะยังกิดแห่งบรรปชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรจงออกไปจากที่นีเ้เสียเถิดดังนี้แล้ว มหาปันตกก็ได้ครับจุลปันตกออกจากวิหารพระจุลปันตกไม่ปรารถนาความเป็นเครือัดเพราะความเยื่อใ่ในพระพุทธศาสนาก็ในการนั้นแหลมหาปันตกเป็นพัตตุเทศคือผู้จัดแจงพัดมอชีวกโกมารพัตถือระเบียบด อ, อกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้เป็นอันมาก ไปสู่อัมพวันบูชาพระาศาสดาสระฟังธรรมลุกจากอาสนะถวายบังคมพระทศบลแล้วเข้าไปหาพระมหาปันตกถามว่าท่านผู้เจริญภิกษุในสำนักของพระาศาสดามีจำนวนเท่าไหร่ขอรับพระมหาปันตกภิกษุมีประมาณ500รูปหมอจีวกท่านผู้เจริญ พรุ่งนี้ขอพระคุณเจ้าได้พาภิกษุห้าร้อยรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรับภิกษุในเรือนของกมพรมมหาปันถกอุบาศกภิกษุโง่รูปหนึ่งชื่อจุลปันตกมีทรรมไม่งอกงามอธรรมภาพจะเว้นเตอเสียแล้วรับนิมนเพื่อภิกษุทั้งหลายที่เหลือจุลปันตก ฟังคำนั้นแล้วจึงมีความคิดว่าพระเถระเมื่อรับนิมนต์เพื่อพิสูจน์ทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นแต่คัดเราไว้ภายนอกแล้วจึงรับจิตของพี่ชายเราจากแตกแยกคือหมดเยื่อใหญ่ในเราแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยบัด น, นี้เราจะต้องการอะไรด้วยศาสนานี้เราจะเป็นเครือขัดทำบุญต่างๆ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 แก่ต่างที่พระจุฬาบรนตกไปพระจุฬาบรรตกเมื่อเดินไปพบพระาศาสดาจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมขณะนั้นพระาศาสดาตรัสกับเธอว่าจุฬาบันตกเธอจะไปไหนเวลานี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระพี่ชายกับไล่ข้าพระองค์พระเจ้าข้าด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จะไปเพื่อลาศึก จุลาันทุกเธอชื่อว่าบรรพชาในสำนักของเราแม้ถูกพี่ชายกับไล่ทำไมจึงไม่มาสู่สำนักของเราเล่ามาเถิดเธอจะต้องการอะไรด้วยความเป็นเครือหัดเธอจงอยู่ในสำนักของเราดงนี้แล้วส่งเอาฝ่าบรัชอันมีพื้นวิจิตไปด้วยจักคือเอาฝ่ามือของพระองค์ ที่มีรายจากเป็นเครื่องหมายรูปศีรระของจุฬาปันตกแล้วพาไปนั่งที่หน้ามุกพระขันธกุฎีประทานท่อนผ้าที่สะอาดซึ่งทรงบันดาลขึ้นด้วยฤทธิ์แล้วตรัสสั่งว่าจุลาปันตกเธอจงผินหน้าไปตามทิศตะวันออกรูปท่อนผ้านี้ด้วยคำบริกรรมว่าพระโชหรนัง พระโชหรหนังแปลว่าผ้าเชตุลีผ้าเชตุลีอยู่อย่างนี้แหละดังนี้ครั้นเมื่อบุคคลกราบทูลเวลาแล้วมีภิกษุส่งแวดล้อมจึงเสด็จไปเรือนของหมอชีวกประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ฝ่ายจุลาปันตกนั่งแลดูพระอาทิตย์พลางรูปผ้าท่อนนั้น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 แล้วเขาจึงเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมเจริญวิ ป, ปสัสนาพระศาสดาทรงทราบว่าจิตของพระจุลปันตกขึ้นสู่วิปัสนาแล้วจึงตรัสว่าจุลปันตกเธออย่าทำความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่าเศร้าหมองแล้วติดทุลีแล้วก็ทุลีทั้งหลาย มีธุลีคือราคะเป็นต้นมีอยู่ในภายในของเธอเธอจงนำคือกำจัดมันออกเสียดานีลาวทรงเปล่งพระรัศมีเป็นผู้มีพระรูปปรากฏดุจประทับนั่งเจ้าหน้าได้ทรงภาสิทธิพระคถานิว่าราคะชื่อว่าธุลีแต่ละอง ท่านหาเรียกว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของราคะภิกษุเหล่านั้นละกทุลีนั้นได้กาดแล้วอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโทสะชื่อว่าทุลีแต่ละองหาเรียกว่าทุลีไม่คำว่าทุลีนั้นเป็นชื่อของโทสะ ภิกษุเหล่านั้นละทุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีโมหะชื่อว่าทุลีและละองหาเรียกว่า ท, ทุลีไม่คำว่า ท, ทุลีนั้นเป็นชื่อของโมหะภิกษุเหล่านั้นและทุลีนั้นได้ขาดแล้วอยู่ในพระาศาสนา ของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจักทุลีดังนี้ก็ในการจบขาถาพระจุลบันุกบรรลุประราชพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วพิดกทั้งสามมาถึงแก่ท่านพร้อมกับปฏิสัมพิทาทีเดียวได้ยินว่าในการก่อนท่านเป็นพระเจ้าเป็นดิน ทรงกระทำประทักษิณประนครคือเดินรอบประนครเมื่อพระเสทโทกือเหงื่อไหลออกจากหน้าผากทรงเอาผ้าสะอาดเช็ดที่สุดของหน้าผากผ้าได้เศร้ามองแล้วตาเธอกลับได้อ น, นิจะสัญญาว่าผ้าสะาดเห็นป่านนี้อาศัยสรีระนี้และบกติแปลเป็นความเศร้ามองไปได้ สังการทั้งหลายไม่เที่ยงหนอด้วยเหตุนั้นผาสำหรับเชตุลีนั่นแลจึงเป็นปัจจัยของท่านแล้วฝ่ายหมอชีวกกุมารพัฒนได้น้อมน้ำทักษีโนโทกเข้าไปถวายรพระทศพลพระศาสดาปิดบาทด้วยพระหัรแล้วตรัสว่าชีวะกะภิกษุในวิหาร ยังมีอยู่ไม่ใช่หรือพระมาบันทกกราบตูนว่าในวิหารภิกษุไม่มีไม่ใช่หรือรพระเจ้าข่าพระศาสดาตรัสว่ามีอยู่ชีวะกะมอชีวกจึงส่งบุุษไปด้วยกับว่าพนายถ้ากระนั้นเธอจงไปจงดูว่าภิกษุในวิหารมีอยู่หรือไม่มีในกระนั้น พระจุลาปันโทคิดว่าพี่ชายของเราพูดว่าภิกษุในวิหารไม่มีเราจะประกาศความที่ภิกษุในวิหารมีแก่พี่ชายหนังนี้แล้วจุลาปันโทจึงเนรมิตรให้อำปวันทั้งสิน้นเต็มไปด้วยภิกษุทั้งนั้นภิกษุบางพวกเย็บจีวรบางพวกย้อมจีวรบางพวกทําการสาธยาย นเมิตรภิกษุพันรูปไม่เหมือนกันและกันอย่างนี้บุรุษนั้นเห็นภิกษุเป็นอันมากในวิหารจึงกลับมาบอกแก่หมอชีวกว่าคุณหมอกอรับอัมพวันทั้งสิ้นเต็มด้วยภิกษุทั้งหลายพระธรรมสังาากาหกาจาร์ได้กล่าวกรรมที่เป็นระถาไว้ว่าฝ่ายพระเทระชื่อว่าจุลปันถก ในลิมิตตนพันครั้งเป็นภิกษุพันรูปในอัปปวันนั่นแหลแล้วนั่งในอัมปวันอันน่ารื่นรมจนกว่าเขาจะมาบอกเวลาหลังแบบนั้นพระาศาสดาตรัสกับบุรุษนั้นว่าเธอจงไปวิหารจงบอกว่าพระาศาสดารับสั่งหาพระชื่อจุฬาบรรทกเมื่อบุรุษนั้น ไปบอกตามรับสั่งแล้วทั้งพันปากก็ขนานว่าข้าพเจ้าชื่อจุลปันทกข้าพเจ้าชื่อจุลปันทกบุรุษนั้นกล้าไปกราบทูลอีกว่าพระชกฆาได้ยินว่าปิกษุแม้ทุกรูปชื่อจุลปันทกทั้งนั้นพระาศาสดาจริงตราว่าถ้ากระนั้นเธอจงไป รูปใดเอ่ยก่อนว่าข้าพเจ้าชื่อจุลปันถกจงจับภิกษุรูปนั้นที่มือรูปที่เหลือจะหายไปดังนี้เขาได้ทำตามรับสั่งแล้วภิกษุประมาณพันรูปหายไปแล้วท่านทีท่านใดนั่นเดียวพระเถระได้ไปกับบุรุษผู้นั้นในเวลาเสร็จพัฒกิจพระศาสดาตรัส เรกหมอชีวกมาแล้วรับสั่งบาทชีวกกะเธอจงรับบาทของจุลปันโทกเถิดจุลปันโทกนี้จะทำอนุโมทนาแก่เธอหมอชีวกได้ทำอย่างนั้นแล้วพระเทระบรรลือศรีหานาดดุจสรีหะที่ขึ้นรุ่นคืออยู่ในวัยขนองได้ทำอนุโมทนา อย่างพระไตรปิดกให้กระชอนแล้วพระศาสดาสเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสง์แวดล้อมสเสด็จไปสู่วิหารเมื่อภิกษุทั้งหลายสแสดงวัดแล้วสเสด็จลุกจากอาสนะทรงยืนที่นามุกพระกันทกุฎีประธานสุขฆโตวาดตรัส บ, บอกกรรมฐานแก่ภิกษุสงฆ์ ทรงทรงพิกษุส่ทงไปแล้วเสด็จเข้าสู่พระกันทกุดีที่อบด้วยกลิ่นหอมฟุง้งทรงบันทมสีหัสยาโดยข้างเบื้องขวาคือนอนตะแคงขวาครั้นในเวลายเย็นพิกษุสทั้งหลายนั่งประชุมกันข้างนี้และข้างโน้นดุดล้อมวงด้วยม่านผ้ากำปนสีแดงปรารบ ถึงเรื่องพระคุณของพระศาสดาว่าท่านผู้มีอายุพระมหาปันโตกไม่ทราบอัธยาศัยของจุลาปันโตกจึงไม่สามารถจะให้เรียนคาถาบทเดียวโดยสี่เดือนได้ไล่ออกจากวิหารด้วยเข้าใจว่าพระรูปนี้โง่แต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ประทานพระอรหัตกลับทั้งปฏิสัมพิทา ในระหว่างอาหารมื้อเดียวเท่านั้นเพราะพระองค์เป็นพระธรรมราชาอันเยี่ยมพระไตรปิฎกก็มาพร้อมกับปฏิสัมพิธานั่นเดียวน่าสจะรจ์ชื่อว่ากำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีมากดังนี้ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องราวนี้ในโรงตามแล้วจึงมีความดำริว่า วันนี้เราควรจะไปจึงเสด็จลุกจากพุทธสยาส่งนุ่งผ้าสองชั้นที่ยอมดีแล้วส่งรัฐประคตเอวดุดสายฟ้าส่งห่มจีวรมหาบังสุกุลได้ขนาดสุคตประมาณปานผ้ากำปนสีแดงเสด็จออกจากพระกันตะกุดีอันมีกลิ่นหอมฟุ้งไปยังโรงธรรม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 ทรงเปล่งพระพุทธรัศมีมีพันณะหกประการเปรียบานเทพพยาดาผู้วิเศษบันดาลท้องมหาสมุทรให้กระเพื่อมอยู่และประดุษสุริโยไทยทอแสงอ่อนๆเหนือยอดเขายุคขันธรฉะนั้นและเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพอเสด็จถึงภิกษุสงฆ์ ก็หยุดสนทนานิ่งเงียบพระศาสดาทรงพิจารณาดูบริษัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยนทรงรำบึงว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักการกระนองมือก็ดีการกระนองเท้าก็ดีเสียงไอหรือเสียงจามก็ดีแม้ของพิษสูรูปหนึ่งย่อมไม่มีพิกษุรเหล่านี้แม้ทั้งหมดมีความเคารพด้วย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 ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุดเสียงบรมแ ล, ล้วตรัสตามว่าภิกษุตั้งหลายบัด น, นี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะไรที่พวกเธอคุยค้างไว้ในระหว่างเมื่อพวกภิกษกุนั้นกล่าทูลด้วยกับว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระโชคา่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า นิกสุทั้งหลายจุลาปันโถกหาได้เป็นผู้โง่แต่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาใหม่แม้ในการกร่อนก็ได้เป็นผู้โง่แล้วเหมือนกันอห น, นึง่งเราเป็นที่พำนักอาศัยของเธอเฉพาะการบัดนี้อย่างเดียวก็หาใหม่ถึงแม้ในการกร่อนก็ได้เป็นที่พำนักอาศัยแล้วเหมือนกันและในการกร่อน เราได้ทำจุลปันตกนี้ให้เป็นเจ้าของแห่งโลกียาทรแล้วบัด น, นี้ได้ทำให้เป็นเจ้าของแห่งโลกุตรัสท์ผู้อันภิกษุทั้งหลายผู้ใครจะสดับเหนือความนั้นโดยพิสดารทูลขอแล้วพระองค์จึงทรงนำอดีตนิทาน ม, มาเล่ากล่าวว่าในอดีตการมานพชาวกรุงปาราาสีคนหนึ่ง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 เตสิอหังปิตังชานามิชานามิแปลว่าท่านเพียเเพ้ยนไปเถิดเพี้ยนไปเถิดเพราะเหตุไรท่านจึงเพี้ยนแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่รู้แล้วดังนี้ได้ให้เขาเรียนทบทวนกลับไปกลับมาหลายร้อยครั้งแล้วถามว่าเธอจําได้อยู่หรือเมื่อเขาตอบว่า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 ก็ส่งเขาไปครั้นเนวลาเขาถึงกรุงพราณาสีมารดาได้ทําสักการะและสัมมานะใหญ่ด้วยดีใจว่าบุตรของเราศึกษาศิละปะกลับมาแล้วในการนั้นพระเจ้าปราณาสีทรงพิจารณาว่าโทษบางประการในพระกรรมทั้งหลายมีกายการรมเป็นต้นของเรามีอยู่หรือหนอ ไม่ได้ทรงเห็นกรรมอะไรอะไรอันไม่เป็นที่พอประไถยของพระองค์จึงทรงดำริว่าธรรมดาโทษของตนหาปรากฏแก่ตนไม่แต่ย่อมปรากฏแก่คนอื่นเราจะกำหนดความเป็นไปจากพวกชาวเมืองดังนี้แล้วจึงทรงปลอมตัวเสด็จออกไปในเวลาเย็นมีความดำริว่าธรรมดา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 ขอพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายจงส่งพระชนอยู่เถิดแล้วก็จะสรรเสริญคุณของเราดังนี้แล้วพระองค์จึงเสด็จเที่ยวไปตามลำดับฝาเรือนนั้นๆในขณะนั้ น, น, น, นพวกโจนผู้หากินทางขุดอุโมงค์กำลังขุดอุโมงค์ในระหว่างเรือนสองหลังเพื่อทําการเข้าเรือนทั้งสองโดยอุโมงค์เดียวกันปราชา ข้าพระเนตรเห็นพวกมันแล้วได้ทรงแอบซุ่มอยู่ในเงาเรือนในเวลาที่พวกมันกุดมงเข้าเรือนได้แล้วตรวจ ด, ดูสิ่งของมานกผู้นั้นตื่นขึ้นแล้วก็สารทยายนนั้นแล้วกล่าวว่าคเตสิคเตสิกิงการณาคเตสิอาหังปิตังชานามิชานามิาามแปลว่า เปียนไปเถิดเพียนไปเถิดเพราะเหตุไรท่านจึงเพียนแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่รู้แล้วเมื่อพวกโจรนั้นได้ฟังคำนั้นแล้วก็ตกใจกลัวทิ้งแม้ผ้าที่ตนนุ่งเสียหนีไปโดยซึ่งซึ่งหน้าตีเดียวด้วยบอกกันว่าในยะว่าเจ้าคนนี้รู้จักพวกเรามันจักให้พวกเราหายนะณนะเสศรษฐานี้พระราชาตอประเนต เห็นโจรเหล่านั้นกำลังหนีไปได้ได้ตรัสสดับเสียงมานบนอกนี้สาธยายมนอยู่ทรงกำหนดความเป็นไปของพวกชาวเมืองได้แล้วจึงเสด็จเข้าพระราชนิเวศและเมื่อราตรีสว่างแล้วพอเช้าตรู่ก็รับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาเฝ้าแล้วตรัสว่าพนาย เธอจงไปพวกโจรกุโมงในเรือนชื่อนอน้นในถนนนน้นในเรือนหลังนั้นมีมานพเรียนศิลปะมาแล้วจากเมืองตะกัศิลาคนหนึ่งเธอจงนำเขามาราชบุรุษคนนั้นจึงไปบอกกับมานพนั้นว่าพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งหาท่านแล้วก็นำตัวมานพนั้นมาลำดับนั้น พระราชาตรัส ก, กับเขาว่าพ่อเธอเป็นมานพผู้เรียนศิลปะมาจากเมืองตากศิลาอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าพระอาญาไม่พ้นข้าวพระราชาเจ้าให้ศิลปะแก่ฉันบ้างเถิดมานพดีหลาพระเจ้าขขอบรงประทับบนอาสนะที่เสมอกันแล้วเรียนเถิดลำแบบนั้น พระราชาทรงทมอย่างนั้นทรงเรียนมนั้นกับเขาแล้วได้พระราชทานทรัพย์พันหนึ่งด้วยตรัสว่านี้เป็นส่วนบูชาอาจารย์ของท่านในการนั้นเสนาบดีพูดกับนายภูษามาลาคือช่างตัดผมของพระชาตาแผ่นดินว่าแกจะตัดแต่งพระมัสุขคือหนวดของในหลวงเมาาื่อไร เมื่อในปูสามาลาคือช่างตัดผมกล่าวว่าพรุ่งนี้หรือมรืนนี้นี่แหละเสนาบดีจึงให้ทรับพันหนึ่งแก่เขาและพูดว่าข้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่งเมื่อช่างตัดผมถามว่ากิจอะไรหรือนายเสยนาบดีจึงบอกว่าแกต้องทำเป็นเหมือนจะทำการตัดแต่งหนวดคือพระมัจ ส, สุ ของนหลวงสะบัดมีดโกนให้คมกริบตัดก้านพระศอคือก้านคอเสียแล้วข้าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินและจะให้เจ้าเป็นเสนาบดีเขาจึงรับคำว่าได้แล้วในวันตัดแต่งหนวดถวายในหลวงเขานำน้ำหอมสะสงพระมัตสุคือนวดให้เปียกสะบัดมีดโกนจับ ที่บนสุดตั้งแต่หน้าผากโดยคิดว่ามีดโกนมีคมร้อยไปหน่อยหนึ่งเราควรตัดก้านพระสอคือก้านคอโดยฉับเดียวเท่านั้นนันนี้แล้วจึงยืนสะบัดมีดโกนที่ส่วนข้างหนึ่งอีกในขณะนั้นพระราชาทรงระลึกถึงมนของพระองค์ได้จึงทรงทาการสาธยายตรัสว่า ขเตสิคเตสิกิ่งกรนาขเตสิอาหังปิตังชานามิชานามิซึ่งแปลว่าท่านเพียนไปเติดเพียนไปเติดเพราะเหตุไรท่านจึงเพียนแม้เราก็รู้เหตุนั้นอยู่เรารู้อยู่ดี๋นี้ในที่นั้นเหงื่อไหลโสมจากหน้าผากของนายภูษามาลาแล้วเขามีความเข้าใจว่า ในหลวงจะทรงทราบความข้อนี้จึงกลัวแล้วจึงโยนมีดโกนทิ้งเสียที่แผ่นดินหมอบกราบลงแทบประบาดธรรมดาพระราชาทั้งหลายย่อมเป็นผู้ฉลาดด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสกับเขาอย่างนี้ว่าเฮ้ยไอผู้สามาลาใจร้ายมึงเข้าใจว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่รู้มึงหรือในผู้สามาลา ขอพระองค์โปรดพระราชทานอภัยโทษแก่ข้าพระองค์เถิดพระชก้าพระราชาช่างเถิะอย่า ก, กลัวเลยบอกมาเถิดในปูสามาลาพระชก้าเสียนามบดีให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่ข้าพระองค์บอกว่าแก่จงรรทำทีเป็นแต่งพระมัสสุคือหนวดของในหลวงแล้วตัดก้านพระศอคือตัดก้านคอเสียเมื่อพระองค์สวรรคตรแล้ว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 เธอจงออกไปจากแว่นแคว้นของฉันจึงรับสั่งให้เนรเทศเขาออกจากแว่นแคว้นแล้วก็รับสั่งให้มานพผู้อาจารย์มาเฝ้าแล้วกลัดว่าท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าได้ชีวิตเพราะอาศัยท่านนนนี้แล้วทรงทำสักการะใหญ่ได้พระราชทานตาแหน่งเสนาบดีแก่อาจารย์นั่นแล้วมานบในครั้งนั้น ได้เป็นจุลาปันโตกพระาศาสดาเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกพระาศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในการกร่อนจุลาปันโตกก็โง่อย่างนี้เหมือนกันแม้ในกาลนั้นเราก็ได้เป็นที่พึ่งปํานาญของเธ อ, อยังเธอให้ตั้งอยู่ในโลกียาสาบแล้ว ในวันรุ่งขึ้นเมื่อการสนทนาตั้งขึ้นว่าน่าสรรเสริญพระศาสดาทรงเป็นที่พึ่งพํานักของพระจุลปันโกแล้วได้ตรัสเล่าอดีตในจุลเศรษฐีชาดกแล้วตรัสกถานิว่าผู้มีปรีชาเห็นประจักษ์ย่อมตั้งตนได้ด้วยตุนทรัพย์แม่น้อย เหมือนคนก่อไฟกองน้อยให้ลุกเป็นกองใหญ่ได้ฉะนั้นใ น, นนี้แล้วได้ตรัสว่าพิกษุทั้งหลายเราเป็นที่พึ่งํำนักของจุลาบันดกนี้เฉพาะแต่ในบัดนี้หาไม่ได้ถึงในการกอนก็ได้เป็นที่พึ่งบำนักแล้วเหมือนกันแต่ว่าในการกอนเราได้ทำจุลาบรนดกนี้ ให้เป็นเจ้าของโลกิยทรัพย์บัด น, นี้ทาให้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์ันนี้แล้วทรงประชุมชาดกว่าจุละกันเตวาสิกแม้ในครั้งนั้นได้เป็นจุละปันดกในบัด น, นี้ส่วนจุละเศรษฐีผู้ฉลาดเฉียบแหลมเข้าใจพยากรนักษัตย์ในครั้งนั้นคือเรานั่นเองอีกวันหนึ่ง เมื่อพิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุจุลาปันโตกไม่สามารถเรียงคาถาสี่บทโดยสี่เดือนได้ก็ไม่สละความเพียรทั้งอยู่ในอราถแล้วแบบนี้ได้เป็นเจ้าของทรัพย์คือโลกุตระธรรมแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรานรามว่าพิกษุทั้งหลายแบบนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเนาะเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องช่วยนี้พระชจ้าข้าจึงตรัสขึ้นมาภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนาของเราปรารบความเพียรแล้วย่อมเป็นเจ้าของแห่งโล ก, กุตรธรรมที่เดียวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานิว่าผู้มีปัญญา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 ก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทีปังกยิราตะแปลว่าพึงทเกาะหมายความว่าผู้มีปัญญาประกอบร้อมแล้วด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมพึงทมคือพึงกระทาได้แก่อาจทมก็คืออารสาผลอันเป็นที่พึงบํานักของตนในสากร คือสงสารหันลึกโดยความเป็นที่พึ่งอันได้ยากนี้ด้วยทำอันเป็นเหตุสี่ประการเหล่านี้คือด้วยความหมันกลาวคือความเพียรหนึ่งด้วยความไม่ประมาทกลาวคือความไม่อยู่ปราศจากสติหนึ่งด้วยความระวังกล่าวคือปาริสุติศีลสีหนึ่งด้วยความฝึกอินทรีหนึ่งทาม่าพึงทำเกาะ เช่นไรแกว่ายังโอโคนาภิกิรติแปลว่าพึงทำเกาะที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้อธิบายความว่าพึงทำเกาะที่ห่วงน้ำคือกิเลสทั้งสี่อย่างไม่สามารถจะท่วมทับคือกำจัดได้แต่จริงพระรอรหันต์ไม่สามารถท่วมทับได้เลย ในเวลาจบคาถาชนเป็นนันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้วเทศนามีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกันแล้วแหละเรื่องจุลปันกเทระจบนิทานประกอบเรื่องของพระจุลปันโทกเถระเรื่องจุลมหาเศรษฐีชาดกจุลเศรษฐีชาตกะ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าปรมันทัตกราชสมบัติในเมืองปาร า, าสีในแคว้นกาสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐีเจริญวัยแล้วได้รับตำแหน่งเศรษฐีได้ชื่อว่าจุลกะเศรษฐีจุลกะเศรษฐีนั้นเป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมรู้นิมิต ท, ทั้งปวง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 ชื่อจุลกันเตวาศิกได้ฟังคำของเศรษฐีนั้นแล้วคิดว่าท่านเศรษฐีผู้นี้ถ้าไม่รู้จริงก็จะไม่พูดดังนั้นเขาจึงเอาหนูไปขายในตลาดแห่งหนึ่งเพื่อเป็นอาหารแมวได้ทรัพย์กากะนิกหนึ่งจึงซื้ออ้อยด้วยรัพหนึ่งกากะนิกนั้นแล้วเอาหม้อใบหนึ่ง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 ไม่เห็นวิธีที่จะทิ้งไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้เหล่านั้นในจุลกันเตวาสิกจึงเข้าไปในพระราชุทยานนั้นแล้วกล่าวกับคนเฝ้าอุทยานว่าถ้าท่านจะให้ไม้และใบไม้เหล่านี้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากนำของทั้งหมดออกไปจากสวนของท่านนี้คนเฝ้าอุทยานนั้นรับคำว่าอาบทนาย จุฬาคันเตวาสิกจึงไปยังสนามเล่นของพวกเด็กๆให้อ้อยแก่เด็กเหล่านั้นแล้วให้ขนไม้และใบไม้ทั้งหมดออกใบโดยเวลาครู่เดียวแล้วให้กองไว้ที่ประตูอุทยานในการนั้นช่างหม่อหลวงเที่ยวหาฟืนเพื่อเผาภาชนะดินของหลวงเห็นไม้และใบไม้เหล่านั้นที่ประตูอุทยาน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 ไว้ไหนที่ไม่ไกลประตูพระนครบริการคนหาบหญ้าห้าร้อยคนด้วยน้ําดื่มคนหาบหญ้าเหล่านั้นกล่าวว่าสหายท่านมีอุปการะมากแก่พวกเราพวกเราจะกระทําอะไรแก่ท่านได้บ้างจุลกันเตวาสิก น, นั้นจึงกล่าวว่าเมื่อเรามีเรื่องจะขอให้ท่านช่วยก็จะขอให้ท่านช่วยเราด้วยนีน้แล้ว ก็เที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้ําความสนิทสนมไว้กับเราผู้ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและขนส่งทางน้ำเราผู้ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางบกได้บอกกับจุลกันเตวาสิกนั้นว่าพรุ่งนี้พ่อคา้าม้าจะพาม้าห้าร้อยตัวมาอย่างนครนี้ในจุลกันเตวาริกนั้น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 ล่วงไปสองถึงสามวันสหายผู้ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำบอกกับจุละกันเตวาสิกนั้นว่าเรือใหญ่มาจอดที่ท่าแล้วจุละกันเตวาสิกนั้นจึงมีความคิดว่าเรามีวิธีนี้เขาจึงเอาเงินแปดกะหาปะนะไปเช่ารถซึ่งเพียบพร้อมด้วยบริวารทั้งปวง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 จากเมืองพันนาสีประมาณร้อยคนทราบว่าเรือมาแล้วจึงมาติดต่อในเรือกล่าวขอซื้อสินค้าในเรือจึงกล่าวว่ามีพ่อค้าใหญ่ซึ่งอยู่ที่นั้นที่นั้นได้ให้มัดจาไว้แก่เราเสียแล้วเราขายสินค้าให้ท่านไม่ได้พ่อค้าเหล่านั้นได้ฟังดังนั้นจึงมายังที่พักของจุลกันเตวาสิกนั้น คนผู้รับใช้ใกล้ชิดจึงบ่ายเบี่ยงปรุงเวลาไว้สามครั้งตามที่จุลกันเตวาศิกสั่งไว้พ่อค้าประมาณร้อยคนนั้นจึงเสนอให้ทรัพย์คนละพันผู้มีหุ้นส่วนเรือกับจุลกันเตวาศิกนั้นแล้วจากนั้นพอ่อค้าจึงเสนอให้อีกคนละพันเพื่อให้จุละกันเตวาศิกขายหุ้นในส่วน ของเขาเพื่อให้สินค้าทั้งหมดเป็นของพ่อขานั้นจุลกันเตวาศิก์ถือเอาทรัพย์สองแสนกลับมาเมืองพาราณสีคิดว่าเราควรเป็นคนกระตันยูจึงให้ถือเอาทรัพย์แสนหนึ่งไปอย่างที่อาศัยของจุละกะเศรษฐีหลัาแบบนั้นจุละกะเศรษฐีจึงถามจุลกันเตวาศิก์นั้นว่า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 เราควรผูกมานบนี้ให้อยู่กับเราจึงควรจึงยกทิดาของตนให้กับจุลกันเตวาศิกเมื่อเศรษฐีร่วงรับไปแล้วจุลกันเตวาศิกนั้นได้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีในน ก, ก่อนนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปตามยถากรรมพระศาสดาตรัสเรื่องนี้แล้วทรงตรัสพระคาถานี้ว่า บุคคลผู้มีปัญญามีปัญญาเห็นประจักษ์ยอมตั้งตนได้ด้วยทรัพย์อันเป็นต้นทุนแม้เล็กน้อยดุจบุคคลก่อไฟอันน้อยให้ปร่งขึ้นได้ฉะนั้นแล้วทรงประชุมชาดกว่าจุลกันเตวาสิกในการนั้นได้เป็นจุละปัญตกในบนัดนี้ส่วนจุละกะมหเศษฐี ในการนั้นได้เป็นเรานี่แหละจุลเศรษฐีชาดก